มวุมค so so oh. oh, yeah. ืน oh, um, uh, uh. uh, ่้มวันคืนวันกีโมอ้ยังไม่ถึงตอนนั้นนนะครับต่อต่อเลยนะเดี๋ยวใหาต่อเมื่อวานเรียนถึงไหนตามเข็มว่าัตั้งแต่เริ่มเรียนเ้าเนี่บเอาเริ่มเรียนเดี๋ยวเมื่อวานเน่กันเลยความหมายของเรา ความในความหมายของดาวอันหนึ่งคือคือไฟข้าสองก็คือน้ำานเป็นธาตุเป็นผู้า่าตเป็นธ า, นาตุลักษณะธ า, า, าตุเลยก็ลักษณะา 1, 2, 3, 4, 5, 6, าธณ า, า, าตุหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดอาทิตย์จันทรคารพุทธธาตุศุกร์เสาและราหูเรี่ยเป็นผู้า่าแต่ความหมายของธาตุแต่ละธาตุแต่ละธาตุเดิ<า>นกะ่เกี่ยวความร้อนอืี่ยวกนอ ก็ไปดูสัตตะเก็นวานนี้ที่สอนไปสัตตะเกฑนผิดคุณหรือ่าไม่ใช่นี่คือสัตตะเก็นสัตตะเกตของสัตตะกฑลของวันในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่จะทางการพูดคุณรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะผิดและแตกต่างของทางสุริย ะ, ยะพอห้องเราเป็นทาง<ช>จันทรักคติทางจันทรคติแต่ถ้าเกิดทางทางสุริยะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออาทิตย์ถึงเสาร์เรียงกันไปหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขอาจะล คือคือคือเปลี่ยนความจําของเราหมดเลยครับแล้วทีนี้เราก็จะดูนะฮะต่อไปแล้วต่อไปจะนิภูมจิตใจําตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมต่อไปในีเรื่องภูมิภูมิมันจะมีกลางวันและกลางคืนเราก็มีภูมิวันภูมิคืนภูมิวันภูมิคืนถ้าเกิดภูมิวันอันนี้จะนับให้นับลงนับเลขตะเกียนขวาไว้ก่อนภูมิวัน ภูม่วันก็หนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดนะภูมิคืนก็จะแตกต่างกับเขาคือคือภูมิคืนพระอาทิตย์ตกดินก็เลขหนึ่งดาวอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกที่จํากันง่ายๆคือคื อ, คอตกใต้อ่าตกใต้ออกเหนือหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ก่อนเค็ดเคล็ดที่ว่าให้จําไวๆ okay, okay. ภูมคืนจะแตกต่างกันและที่ไม่แตกต่างคือหก <6. S 1> ดาวศุกร์ที่ไม่แตกต ท่า น, นั่นเองไม่ประจำที่คือเนี่ยคือดาวสุกหรือดาวเลิกดาวประจำเมืองเนี่ยตรงนี้ไม่ ย, ย้ายอ่าไม่ย้ายที่ครับแล้วต่อไปทีนี้ก็ในวันวันแต่ละ ว, วันมีคืนวันคืนคื น, คนทีนี้มีข้างแหลม ข, ข้างขึ้นขึ้ น, ข, นข้างขึ้นข้างข้างแหลมก็มีภูมิวันแภูมิคื น, นใช่ว่าข้างแหลมนี่ให้นับเวียนขวาาให้นับเวียนขวาตลอด แล้เวลาข้างขึ้นนับอ่านับเวียนซ้ายคือท ว, วนเข็มข้างแรงมีจะนับตามเข็มข้างขึ้นก็มีภูมิวันภูมิคืนข้างแรงก็มีภูมิวันภูมิคืนฉะ น, นั้นเองออต่อไปแล้ทีนี้วิธีการนับวิธีการนับก็คือนับเลี้ยวขวคูณจากขึ้นแรงติดข้นมก็นับตามนั้นก็คือจะมีทั้งหมดอนะ่ะจะมีเนี่ยเป็นบริวารอายุเดชศีมูระอุสาหะบนญตินี่ผมเพิ่มแล้วนะ ต่อเลยนะเนี่ยต่อเลยก็คือการนับภูมิเนี่ยหรือเรียกดีถีดีถียามใหญ่ยามย่อยนี่ผมจะต่อให้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนคืกมาทวนอีกทีหนึ่งภูมิเนี่ยนับภูมิเนี่ยภูมิวันภูมิวันข้างแลมตามเข็มนาฬิกาแลมตีข้ามก็แล้วแต่ให้ไปนับตามช่องนับตามช่องของท่านท่านพยายามจําตัวนี้ให้ได้จับจับอย่างนี้ได้ได้หัดจับอย่างนี้เนี่ย วันนี้สมมุติวันนี้แหลมหกข่ำเนี่ยวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่สบเจ็ดดีวันธุเดษหัาวันธุเดษหัตเนี่ยวันธุเดษหัตวันธุเดษหัตแลมหกข่ำแลมหกข่ำนับดูดิเราไปเท่าไหร่ห้าห้าตกตกอะไรนะตกห้าแหลมหกข่ำตกห้าตกห้าคือดาวธุเดษหัต ดาวพื่ัสแต่นี้การนับนี่คือนี่ให้เป็นหนึ่งตกเลยนับหนึ่งเหนือเขาเรียกว่าฤทีตกตรงไหนนับหึงตรงนั้นครับเนี่ยเรียกฤทธิแต่นี้ท่านจะนับบริวารอายุเลขสีมูลาอุตสาหมรีกาลกินีเนี่ยตามตามแต่ละช่องแต่ละช่องตามแต่ละช่องที่นับก็คือจะเป็นถ้าจะตกอย่างเงี้ยเรียนเร็วไปไวเขาจะก็พก่ดพึดไปเลย ครับนี่คือเขาเรียกดิถีนะถ้าเกิดนับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่คือคือการนับภูมิภูมิของแต่ละวันวันนี้เข้างและข้างแรงภูมิวัถ้าเกิดเนี่ยเราก็นับเวียนขวาเรารู้แล้ววันนี้คือข้างแรงเราเวียนขวาันนับตามเข็มนาฬิกาง่ายง่ายเดี๋ยวเวียนกว่านับตามเข็มแล้วหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดในนี้เราก็นับหนึ่งสองคือจะนับที่ 1, หนึ่งตลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกตกหนึ่งนีต้ตอนนี้ท่านก็ต้องบริวารตกตรงไหนเอาไว้เป็นบริวารตรงนั้นเป็นเป็นบริวารตรงนนะั้นบริวารแล้วต่อไปก็คืออายุอ่าอายุายเดชนี่นี่ต้งท่องให้ได้ด้วยบริวารอายุเดชสีมูลาอุสาหะบนปีกาเลกินความหมายของแต่และความหมายก็คือนีน่นี่คือเขาเรียกดีถีขั้นแรก <c oughs> ภูมิวนันนี่ดีถีดีถีได้แค่นี้ต่อไปปุ๊บเราจะหาเวลา เพราะของเรานี่จะรจะรู้เวลาเขาไปอีก ต, ต่เวลานี่ก็เหมือนกันเป็นกังวันเราก็ตั้งภูมิวันเหมือนกันหนึ่งสองหนึ่งหกสี่สอเจ็ดห้าสามแไอพวกนี้ไม่ต้องนะท่านใหม่ๆปุ๊บท่านจะจำท่านท่านจะต้องเขียนตัวเลขให้ให้ค่องคองคองแต่พออยู่ในปุ๊บนี่ท่านจะรู้เลยอยู่ตรงไหน เวลาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านต้องทำแบบนี้ก่อนทำแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อกอในแต่ละวันแต่ละวั น, น เ, เนี่ยจะต้องทํำพอไล่จับเวลาพอไล่จับเวลามาปุ๊บเนี่ยจะไปหาเวลาแล้วทีนี้ mm hmm. จะไปหาเวลาของแต่ละวันของแต่ละวันนี่ก็คือยามใหญ่เขาเรียกยามใหญ่คือขั้นที่สองเหมือนกันไล่เหมือนกันแต่อันนี้ตกหนึ่งอยู่ที่บริวารเนี่ยตกเลขห้า ตกเลยท่าตอนนี้เรล่มหนึ่งที่บริวารได้รับ1่งที่ตกตอนี้เราจะแบ่งแยกในที่ผมบอกแล้วว่าในภูมิวันเนี่ยจะตั้งแต่6กโมงถึงสิบแปดนาฬกาสิบแนาฬิกาหมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับเนี่ยใช่ไหมหกโมงเช้าถึง6กโมงเยนแต่เราจะแบ่งช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงโมงอย่างละชั่วโมงครึ่งอย่างละชั่วโมงครึ่งเป็นยามใหญ่ครับเป็นยามใหญ่เป็นยามใหญ่ก็จะตกอ่าแปด ยามพอดีแปดยามนาทีแปดนาฬิกาพอดีนะครับแปดชงพอดีก็จะตกจะเป็นยามตกอย่างละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนี่เขาเรียกยามใหญ่ยามใหญ่ชั่วโมงครึ่งจะพอดีนะจะพอดีเนี่ยยามใหญ่เอาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนจะเน้นเข้าพิธีหนึ่งพอยามใหญ่ตอนนี้เราจะมีซอยยามย่อยในชั่วโมงครึ่งนี้ เรือง11นาที11นาทีแปดช่องก็จะได้อ่าโมงครึ่งพยามล้ว11นาทาียามละ11นาทีาเนี่ยภูมิเวลาเวลาทําใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านมานั่งทําเล่นอย่างเงี้ยดีถี่เขาเรียกดีถียามใหญ่ยามย่อยอีกทีนึงซอยยามซอยยามลงไปอีกเนี่ยแค่เรียกยามย่อ ย, อยไปกีน ย, ยามย่อยยามย่อยมาไงคิดฝ่ายพี่ ก็นับแบ่งช่องที่จากชั่วโมงครึ่งมาอีกทีนึงเป็นสิบเอ็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีมากกว่าสิบเอ็ดนอ่าฮ uh huh. ะก็ได้นับเวียนเหมือนเดิมนะนเวียนขึ้นแ<น>ลเหมือนเดิมนะั่นแหละแต่ตรงนี้เราจะมีมกำกับเขาไว้อยู่นะเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมาเป็นสิบเอ็ดนาทีนี่เขาเรียกยมย่อยก่อนแบ่งเป็นแปดส่วนครับวันห <c oughs> นึ่งมีแปดยำนะฮะ กลาวันแปดกลางคืนแปดตัวเป็นสิบหกสิบหกก็คือโสรดนั่นแหละที่เขาเรียกสาเร็จโสรดโสรดน่นะเข้าใจป่ะกลางวันสิบแปดกลางคืนสิบกลางคือวันแปดกลงคืนแปดเป็นสิบหกถาราเรียน้ำ่อยแปดแปแบ่งทีนี้มาเท่านี้ไปหลองยัง แบ่งยามแบ่งยามตรงนี้นี่คือวันวันกําหนดวันให้ได้ก่อนว่าตกกี่ข้ามสมมุติได้อ่า15ข้าม15ข้ามอะวันนี้อสมมติวันนี้15ข้ามจะตกอะไรอะแรง15ข้าง <15. S 1> มง่ายเลย2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 <15. S 1> อ่ะ3ก็คือบริวารถ้าตกเลข3ก็คือกล่าวบริวาร นี่คือดิถีของแรมสิบห้าข้ามแรมสิบห้าข้ามนี่คือดีถี่นะฮะตอนนี้มาตองยามใหญ่ยามใหญ่เราจะรู้ยังไงที่แบ่งเป็นแปดช่องแล้วสมมติวันเนี้ยเนี่ยติดนาฬิกาตรงติดนาฬิกาตรงยามใหญ่อยู่ที่ยามใหญ่ไหนยามใหญ่ที่เท่าไหร่ยามใหญ่ที่ <24. S 2> ที่สามครับเพราะมันยังไม่ถึงสิบโงครึ่งนะตอนนี้สิบโมงพอดีท่านแบ่งหัวยามก่อนไอ้ท่านแบ่งยามก่อนเนี่ย อนแรกต้องเข้าใจคือการแบ่งยามเนี่ยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วอยู่ในช่วงไหนตอนนี้สิบโมงสิบโมงก็คืออยู่จะอยู่ในยามที่สามยามที่สามนี่เขาเรียกยามใหญ่ละหนึ่งชั่วโมงครึ่งของคุณคุณก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้ะตอนนี้สิบโมงครึ่งแต่ต่อไปปุ๊บท่านจะรู้เลยว่าว่ายามใหญ่อยู่ตรงไหนเวลาไหนเวลาไหนพอชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งตอนนี้อยู่ในจังหวะที่ยามสามยามสี่ยามห่ายามหกหรือยามหนึ่งยามสองท่านไม่ต้องไปสนใจละดูที่ยามสามอย่างเดียวนี่เรียกว่า ยามใหญ่หญคุมเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งยามใหญ่ยามใหญ่ที่เท่าไรนะยามใหญ่ที่เท่าไหร่ ค, ครับยามใหญ่ที่สาม น, นี่คือยามใหญ่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนึ่ครึครับนี่เรียกยามใหญ่เมื่อกี้แล้วก็ได้ดึกทีถี่ของวันไปแล้วใช่ไหมได้ดีทีทีของวันไปแล้วใช่ไหม ได้สองข้อแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะงงว่าเริ่มช้าแล้วต่อไปเรียกยามใหญ่งานเขาเรียกยามใหญ่ถ้าเกิดเวลาสิบห้าในกาสิบห้าในกาจะไปตกที่ไหนยามใหญ่อ่บห้ากระดูถามยามหกยามสิบห้าในกาสิบห้าในกาอ่าใช่ข้อสิบห้าในกาต้องไปตกที่ยามหกต้องเก่งไวยามหกนี่ยาม นี่ผ ม, มยังไม่ได้ให้หัวยามพวกให้อะไรตัวอะไรน ะ, ะเดี๋ยวดูเร<อ> า, าแบ่งเวลาให้เป็นหครับใช่ไหมฮะถ้าเกิดเจ็ดไหนกาตกยามหนึ่งถ้าท่านตื่นมาตอนเช้าปุ๊บนี่ประมาณนี้ประมาณอ๋อหกโมงวกว่าเจ็ดโมงวกว่าอ๋อลุยามหนึ่งว่าท่านก็ดูที่ยามหนึ่งอย่างเดียวคเพราะมันเลยเพนไปแล้วเนี่ยจะเที่ยงยังนี่เลยเที่ยงไปแล้วก็ดูยามสี่ยามอะไรนึกเลยมันจะเห็น เพราะอย่างไรชั่วโมงครึ่วงครึ่งไอ้ยอย่างเงี้ยมันจะไ ป, เ, ปไเหมือนกับ <ไง S 1> ท่านที่เหมือนกับท่านที่จำดาวนี่แหละแล้วความหมายของดาวมันจะจําไปตัวเองโดยอัตโนมัติว่าตอนเนี้ช่วงระยะเวลาเนี้ยตกยามอะไรอยู่ที่แปดแปดช่องเนี้ยมันจะตกยามท่านยังไม่ต้องไปกังวลมากเพราะเพราถ้าเกิดท่านจำไม่ได้ท่านก็ต้องเอาไว้นี่ใหม่ๆต้องเอานี่แต่แต่พอไปค่องๆแล้วท่านจะรู้เลยว่าตอนบ่ายปุ๊บเนี่ยบ่ายมัวงบ่ายสองนี่ตกยามอะไรอยู่ ใบสามตกยามอะไรไอ้ตอนเย็นแล้วเนี่ยตกยามแปดแล้วตอนเย็นตั้งแต่ห้าโมงครึ่งคุณไปแล้วอ๋อมันจะจบเบลจบภูมิวันแล้ะใกล้จบภูมิวันอยู่อะไรยามแปดใช่ไหมอ่าใกล้กันนี้เดี๋ยวมันจะไล่กันไปเองท่านท่านท่านจะคล้องไปเองนี่คือการแบ่งยามผูของภูมิวันเขาเรียกยามใหญ่กว่าฮเรียกยามใหญ่ตอนนี้เอาต่อป่ะเอาอันนี้ จากยามใหญ่ยามใหญ่นี่ก็จะซอยเป็นเป็น<ต>เป็นยามย่อยๆๆยามย่อยคือคือเมื่อกี้ท่านได้หนึ่งชั้นสองชั้นเน่ย <ๆ S 1> เขได้2องชั้นน่ยต่อไปเนี่ชั้นที่สาชั้นที่3ามเขาเรียกยามย่อยอ่ะๆๆในแต่ละยามใหญ่แบ่งออกไปอีก8ช่องเป็น11นา <ๆๆ S 2> ทีแปส่วน8ส่วนเป็นเป็นส่วนละ11นาทีอีกทีหนึงสินาที15วินาที11นาที15วินาทีก็คือเรียกยามย่อยไอเนี่ยายายามย่อย เรียบสุภาวิมนครับร <c oughs> แต่ละยามจะได้ยามทีอย่า ง, งท่านรู้สมมติเรายามสี่ยามสี่เนี่ยตกในชั่วโมงอ่าชั่วโมงไอชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งจนถึงเที่ยงเนี่ยอยู่อยู่อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นี่คือยามใหญ่แล้วก็ภูมิวันได้เราเราได้แล้วเพราะนับแลมอย่างเดียวแล้วก็จกับจากข้างแลมปุ๊บเนี่ยนับภูมินี่ยามสี่ตุ่เอ่อไอยามใหญ่ตรงเนี้ย เราจะนับแบ่งช่องอยังไงเนี่ยตกยามสี่ยามสี่ท่านก็นับจากภูมินับจากเขาเรียกดีถีเนี่ยนับไปอีกสี่ช่องพอมันตกยามสี่ยามสี่เนี่ ย, ยนับนับไม่ใช่เหนียดนับนี่คืผมจะบอกไนงะของแต่ละวันเนี่ยเตรียมนับแหละถ้าตกอยู่ที่ยามสี่หัวยามคืออะไรหัวยามอยู่ข้างบนเนี่ยเขาเรียกหัวยามของแต่ละวันของแต่ละวัน เมื่อกี้ท่านที่นับภูมินับนับดิถีน่ะคือแลมคือคือข้างข้างข้างครึ่งข้างแรงแต่ทีนี้ท่านยามใหญ่เนี่ยท่านนับสัปดาห์นับสัปดาห์จังว่าจัน์ลังคารพุธประหาตุลาอาทิตย์อใช่ป่ะแต่นี่มันตกหัวยามสี่ผมจะคุยที่ยามสี่นะครับยามใหญ่ที่สี่อ่ายามใหญ่ที่สี่ยามใหญ่ที่สี่เนี่ยตกวันอะไรวันนี้วันพุทธหาท่านก็ดูช่องพุทธหาอ่า พระฤหักยามที่สี่ยามใหญ่ที่สีวันพฤหักยามใหญ่ที่สี่เนี่ยอืฤาษี้ยพหักยามใหญ่ยามใหญ่ที่สีตอนแรกก็เป็นว่ากี่ค่ำะรึ่งแรกกี่ค่ำวันอะไรเวลาอะไรเนี่ยวันอวันอะไรอืมเวลาอะไรกี่นาทีอ่ะแล้วกี่นาที นี่ยังไปไปถึงเอาขึ้นแรมกี่ข้ามนวันอะไรใช่ไนี่อ่าแต่นี้วันพฤหัสวันพฤหัสที่สี่หัวยามายมหัวยามหกท่านก็นับจากดิถีที่ตกห้าเมื่อกี้ไอ้ตกสามปะตกสามสิบห้าข้าใช่ใช่หตกสามอ่าใช่นั่นแหละมันเป็นปุบริวารเนี่ยตกสามเนี่ยคือสามเป็นบริวารนะสามหนึ่งที่บริวารสามหนึ่งอ่ครับเนี่ยเป็นบริวารของดีถี S <S แล้วต้องรู้ก่อนเนี่ยสามคือบริวารของดิตถีที่เรานับได้เมื่อกี้นี้ของขึ้นแรมครับของของขึ้นแรมขึ้นแรของของขึ้นแรมใช่ไหต่อไปตอนนี้เราก็ดูเววันอะไรวันอะไร อ, อวันอะไรก็คือวันพฤหัสวันพฤหัสหัวยามหกเวลาช่วงท่วงที่เวลาเนี้ยเออสิบโมงถึงเ<ม>ที่ยงเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะดูอพอหกนับจากสามไปหกช่อง นับจากขึ้นแรมที่มันตกอานับจากขึ้นแรมที่ตกอะบริวารเนี่ยนับไปเตกเลขอะไรบ้งครับตกเลขสี่ตกเลขใช่เหรอสองมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกองหอ้ท่านเนี่ยเอานิ้วก้อยออกไปเลยเนี่ยไม่ใช่เหรออย่าเดี๋ยวจะงงองสาสอ่หกตกตกตกนิ้วเกินตกาจรตกตกจัน ตกจันตกจันนี่ก็คือเป็นอหัววันหัวยามหัยามของยามใหญ่จะเป็นเลขสองแหละนะท่านท่านก็ได้ห้าก่อนแล้วตอนแรกอะตกเลขสามเลขสามเนี่ยนี่คือดีถีไม่ไดดีถีดีถีตอนนี้ท่านอเป็นวันวันพุทธหัดพุทธหัดยามใหญ่ที่สี่พุทธหัดยามใหญ่ที่สี่หัวยามก็คือหกแล้วไปตกเลขสองเลขสองนี่ก็คือยามใหญ่ ยามใหญ่บริวารของยามใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือบริวารของดิถีถ้าเดี๋ยวเขาจะเกิดเขาพูดกันในเวลาที่เราคุยกั น, นะอะไรบริวารดิถีคืออะไรบริวารยามใหญ่คืออะไรบริวารดิถีอยู่ตรงนี้อขาดิถีตรงนี้แต่บางทีเขาจะพูดดิถีหรือบริวารดิถีอะไรเป็นเดชของดิถีเราจะรู้เลย ก็แบ่งออกมาเป็นสามชั้นเดชของดิตถีอ๋ออยู่ตรงนี <screen> ้แล้วก็เดชของยามใหญ่อยู่ตรงนี้เรื่องอะไรกันคือบริวารอายุเดชสีมูระอุตสาหมนตรีกาลกินีนี่จะไร่พอทีนี้เราไล่บริวารอายุเดชสีมูระอุตสาหมนตรีกาลกินีตกพดีและแต่แต่ละของดิตถีมีเลขอะไรที่ไปตกตกเป็นอะไรตกเป็นอะไรชื่อไล่บริวารอายุเดชสีมูระอุตสาหมนตรีกาลกินีเสร็จแล้วตอนนี้ยามใหญ่ ยามใหญ่ที่สี่ยามใหญ่ที่สี่วันพฤหัสณนะเวลานั้นก็คือตกหกนับออกไปนับไปหกช่องก็คือตกที่ดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็คือเป็นบริวารสองดิไอ้ของยามใหญ่สองคือบริวารของยามใหญ่แล้วทีนี้ตกตรงไหนก็คื อ, อบริวารตกตรงไหนก็คือบริวารยามใหญ่นี่เราเป็นบริวารของยามใหญ่อ <c oughs> บริวารของยามใหญ่ ต่อไปนี่ก็คือเวลาเวลาอะไรเวลาอะไรช่องที่สี่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกายี่ิบหกนาทีสิบเอ็ดนาฬิกายี่ิหกนาทีเวลาก็คือเท่าไหร่ตรงกับวันพฤหัสเราไล่มาให้ตรงกับพฤหัสคืออะไระสามอสามเราก็นับจากนี้ไปสามช่องหนึ่งสองสาม 2, 3, ตกห้าตกห้าตกห้านี่ก็คือ เป็นบริวารของยามย่อยถนะ้านี่ก็คือบริวารของยามย่อยดาพรหัสเป็นบริวารของยามย่อยเป็นบริวารของยามย่อยท่านจะนับยามอีกทีหนึ่งนีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าอ่ากระจายท่านท่านต้องกระจายคือความเข้าใจของท่านก่อนอันนี้ก็สามมันจะคือผมให้บอกบริวารอ่าบริบริวาร <ยา S 1> อายุอ่านะอายุเดชสีมูละ อุตสาหามนตีาราลากินีครับราลาคินีทีนี้ท่านก็ได้สามท่านก็ดูอ๋อสามแปดหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้ามันจะตกอ่าก็คือสามเป็นบริวสามเป็นบริวารของดิถีเนี่ยอั น, นี้ของดิถีคือคือขึ้นแรมดิถีนี่คือขึ้นแหมเป็นบริวารสามเป็นบริวารของดิถีอ่าแปดอ่าดาวราหูเป็นอายุของดิถี หนึ่งเป็นเดชของดิทฐีสุขสีดาวดาวสุขเป็นดิษเป็นสีของดิทฐีกระจายออกมามใช่ไห ม, ไหมทีนี้ยามใหญ่ยามใหญ่ท่านตกที่สองใช่ไหมยามใหญ่ยามใหญ่อะไรเป็นบริวารท่านจะสอง ท่านก็ไป ไ, ปไปพอไฟปุ๊บเดี๋ยวจะรู้เองว่าอันไหนเป็นเดชอันไหนเป็นสีอ่านี่เอฟอ้อยนี่ห้าเป็นการักกินีของดีถี่อันนี้สี่เป็นการักกินีของยามใหญ่ต้องซอยออกมาก่อนซอยให้มองเห็นเนี่ยแตงออกมาเทนี้เดี๋ยวท่านก็จะจําได้ต่อไปเนี่ยคือเวลาเวลาแล้วนนี้เวลาอะไรเมื่อกี้นี้ตกสามตกสามไปห้าพอดีนับจากสองเลยตกห้าคือดาวพฤหัส ดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็ดาวพฤหัสเป็นบริวารของยามย่อยใช่ไหมครับอยามย่อยยามย่อยยามย่อยห้าเป็นเห้าเป็นบริวารของยามย่อยตอนนี้ท่านก็ไล่ไล่คือคือกระจายไงสามแปดหนึ่งหกสี่สองเจ็ดเนี่ยก็จะรู้ที่ตัวเลขนี่คือความหมายครับเป็นบริวารจะได้ที่เป็นบริวารเป็นบริวารนี้นี่จะทัก ยามใหญ่ยามย่อยเนี่ยมันก็จะพัดแซสเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดบริวารปุ๊บยามย่อยเนี่ยเอามาตั้งเสาสิเนรุกตัวเนี้ยตัวสําคัญเอามาตั้งเสาสิเนรุกเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องหาจากดีทีแล้วกมายามยาใหญ่ก็ยามย่อยเอายามย่อยเนี่ยมาทําเป็นเสาบริวารของยามยามย่อยเอามาขึ้นเสาขึ้นเสาขึ้นเสาเสาเนี่ยได้ไหมอาจารย์อาจารย์เจริญฉันเลยไม่เพลงเลยตี๖ กับข้ามันจะเย็นไม่อร่อยนะเขาก็ไม่รู้ว่านะไหนทวนได้ฟังได้เอะทวนใหม่ใ่ไหมอ๋ออ๋เอาสามภูมิก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเสาเนีเสาที่ว่ขึ้นคืออาครับครับเมื่อกี้ในถึมสอนไปอ่ะก็คือภูมินะมีภูมิวันภูมิคืนนี่นี่ผมขั้นนะครับแบ่งครึ่งแล้วนะไอไอพวกความหมาของเราผมไม่เอาล้นี่ผมจะเอาภูมิวันภูมิคืนเลยภูมิวันภูมิคืนมันก็จะมีขึ้นมีแรม อ่และข้างแหลมนับตามเข็มนะะาฬิกาทั้งภูมิวันและภูมิคืนข้างขึ้นจะนับทวนเข็มนาฬิกาทั้งภูมิวันภูมิคืนครับมัน จ, จะแบ่งกันอย่างนี้แบ่งกันอย่างนี้ทีนี้เป็นแหล่าขึ้นแหลมเนี่ยเราจะนับเนี่ยของไหนแต่และภูมิทั้งภูมิวันภูมิคืนเนี่ยเราจะนับออกมาได้ยังไงเราจะนับออกมาได้ถ้านับออกมาแล้วเรียกว่าดีผี นี่คือดีถีดีถีของขึ้นแรงนะดีถีคือขึ้นแรงแต่นี่ที่บอกไปนะพี่นะสิบห้าข้ามสิบห้าข้ามตกสามตกสามใช่ไหมตกสามนี่คือบริวารของดิถีตกตรงไหนเรียกว่าบริวารสามคือบริวารของดิถีที่ที่บอกไปเนี่ยเขาเรียกดีถีดีถีและทีนี้ในในในภูมิวันน่ะจะแบ่งส่วนได้อีกแปดส่วน คือเอาเวลาตอนนี้เราจะดูที่เวลาดูที่เวลาอแบ่งได้อีกเป็นแปดส่วนแปดส่วนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะ 11.26 ใช่ป่ะ 11.26 เนี่ยตกอยู่ที่ภูมิสี่ใช่ไหมตกอยู่ที่ภูมิเอ้ยามใหญ่ที่สี่ยามใหญ่ที่สี่ยามใหญ่ที่สี่เนี่ยเรียกเป็นยามเราแบ่งเรานับมาแล้วดีถีบริวารของดิถีคือสามต่อไปเราจะนับยามใหญ่เราก็นับ อ่อนับไล่ไปยามใหญ่ที่สี่ยามใหญ่ที่สี่ก็คือของวันวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสวันนี้วันพฤหัส ต, ตกเลขหก <6, S 2> เราก็นับจากบริวารดิศไปไปหกส่วนสองสามสี่ห้หกหกหกนี่ก็คือเนี่ยเป็นบริวารของยามใหญ่ทันทีเป็นบริวารของยามใหญ่ทันทีนะหกหกคือดาวจันทดาวจันรจะนี่เราจะนับสองเนี่ยคือบริวารของยามใหญ่ ที่เราแบ่งช่องได้ต่อไปคือเวลาอะไรเราได้แล้วคื อ, ย, ย, อย่ำ ย, ย, ย่อย ย, ย่ำใหญ่อะย่ำใหญ่ย่ำใหญ่กันทีต่อไปเราจะหาย่ำ ย, ย่อยคือเวลาอะไรเวลาอะไรอะสิบเอ็ดจุดสองหกสิบเอ็ดจุดสองหกสิบเอ็ดจุดสองหกเราก็ดูในช่องวันพฤใช่ไหมดูช่องของวันพฤหัสตกอะไรที่สิบเอ็ดจุดสองหกตกสามเราก็นับจากบริวารของย่ำใหญ่ไปอีกสามช่องถ้บตกดาวพฤหัสคือห้า ห้าห้านี่ก็เป็นบริวารของยามย่อยอเยริ่มเสียบอธิบายเกิงมากเลยยอมรับเอาจริงเอาสัตว์เ น, นี่ยผมชอบมันได้ห้าห้าบริวารของยามใหญ่ครับครับเนี่ยไฟนี้เดี๋ยวท่านผิวเผินนะเพท่านจะไปเองไปปุ๊บแล้วก็พยายามเนี่ยก็ผมามาอธิบายดีถีต่อมาที่ที่ตกสามที่ตกสามเป็นดีถีคือว่าแลมแลมสิบห้างล้นมือเนี่ย นี่คือบริวารบริวารอายุเด ส, สีมุระอุสาหะมนตรีการณ์ทินีทันทีของดีถีสามคือดิถทีที่ผมอธิบายอีกทีหนึ่งคือสามคือบริวารแปดเป็นอายุแปดเป็นอายุหนึ่งเป็นเดศจะได้บริวารอายุเด ส, สีฮะใช่ไหมทีนี้ท่านรู้ว่าตกยามใหญ่ตกยามใหญ่ที่สองสองก็เป็นบริวารของยามใหญ่ของยามใหญ่ท่านก็นับนี่ไป บริวารอายุเดชสีมุระอุสาหมนตรีช่องนี้ต้องเวลาท่านไปทบทวนเพรท่านขยายตรงนี้ก่อนจะได้จําง่ายๆครับพอคล่องแล้วเจ้นี้ท่านไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องเขียนในส่วกนี้ไม่ต้องเขียนนะ้อยู่ที่นี่เนั้นเองอยู่พี่มิ้วแล้วนี้หาดสายเลยจะอยู่ที่นี่ทันทีครับครับต่อไปแล้วก็เวลาสิบเอ็ดนาทียี่สิบหกคือหัวยามที่สี่ของนั่วันเพราะเรื่องหักตกอะไรตกสามหนึ่งสองสามก็เป็นบริวารของยามย่อย เป็นบริวารของยามย่อยก็คือสองสองคือคือเอ้คือห้าห้าพรหัสนะท่านนี่เขียนออกมาแบบนี้เนี่ยคือบริวารในที่นี้นะผมอยากจะรู้สีของยามย่อยที่บอกไปเมื่อกี้สีตกไหนยามยามย้อยของอะไรยามย่อยยามย่อยของของของวันเอ่ยของดีถีสิบห้าค่ำสีสีอยู่ตรงไหน ไม่ใช่พระนับบริวารบริวาอายุเดชีตกมูลแล้วไหนเป็นมูละของยามใหญ่มูของยาวใหญ่ออ้อเฮ้ยมูลยาวเดชีอันนี้หุบไปเลยบริวารออกเลยไหมออะบริวารมูละมูละอ่าฮะนันตัวนี้ท่านจะคล้องไปเอง อันไหนเป็นการเล็กนีของยามย่อยเพราะท่านรู้แล้วเมื่อกี้เนี่ยท่านนี่คือคือดิถีนี่คือยามใหญ่เนี่ยท่านท่านจดจำได้นะและนี่คือยามย่อยนะท่านเนี่ยท่านท่านจะเล็งอยู่ตรงนี้เนี่ยพอพอท่านรู้ปุ๊บเนี่ยท่านไม่ต้องไปเล็งอะไรมากแล้วท่านรู้เนี่ยนี่คือบริวารของดิถีนี่คือบริวารของยามใหญ่นี่คือบริวารของยามย่อยท่านจะเล็งอยู่ตรงนี้แล้ว <spectral. S 1> ใช่ไหมแล้วจะกนี้ก็ไล่เอา อันไหนเป็นการิกินีของยามใหญ่ท่านก็จะรู้ทันทีอ่ายามยามยามใหญ่ท่านก็ไล่มาท่านยังท่องบริวารอายุเบสสีมูลอุตสาหะมนตรีการิคินีตก<ม>ได้ตรงนี้ตกอะไรตกสกีตกสีคือดาวพุธต้องต้องต้องบอกด้วยว่าคือดาวอะไรไม่ใช่บอกตัวเลขนะต้องต้องเน้นตัวนีน้นไดอ้อยู่ทิศอะไรคิดถึงทิศใต้อ่าอยู่ทิศใต้ท่านต้องรู้ด้วย พรไอ้ตรงนี้มันจะหมุนไปเองแล้วก็กวท่านจะจําไปในตัวเหมือนกับข้อไก่ขอไข่อะท่านจะปุ๊บแล้วท่านแทพไม่ต้องอะไรเราจะรู้แ ล, อล้อยู่ทางทิศใต้ทิศใต้ที่แนวเชื่อก็คือคือกาลิกินีนะฮะอยู่ทางทิศใต้เนี่ยแล้วเป็นเป็นอะไรเป็นบริไอเป็นกาลกินีของยามใหญ่เอ็ดนเนี่ยที่เอาไปให้ได้บริวารอายุเดชีมูราสาวมนตรีในต้นข้องเหมือน ก, กับความหมายของดาวที่ผมบอกว่าให้เน้นเน้นที่ว่าความหมายของดาวเนี่ย ต้องให้คล่องพอคล้องแล้วเนี่ยท่านจะรู้เลยที่ผมวันทวนถามว่าหนึ่งวันนี้วันวันตกอะไรที่วันหนึ่งคืออะไรสมายของหนึ่งที่เป็นสีแดงที่ท่านบอกสีแดงแล้วก็เป็นทองแล้วก็เป็นธาตุไฟเ น, นี่ยท่านจะรู้เองก็เ ห, เหมือนกั น, กนเนี่ยหนึ่งปุ๊บเนี่ยวันเนี้อยอสองใช่ไหมสอง <2 S 2> คือบริวารของยา ม, ยามใหญ่ยามใหญ่ในท่านรู้เลยสองคือพระจันทร์คือจันทรธาตุอะไรอ่า เนี่ยท่านท่านเดี๋ยวจะคล้องไปเองท่านยังคล้องไปเองอันเดี๋ยวคล้องแค่นี้ก่อนก็ได้บ้างเนีนี่ได้รู้นะดี <ใน S 2> ถียางใหญ่ยามย่ยยอยนล่นนะอ่ะาเนะแต่นี้เดี๋ยวก็ไปจําบริวารอายุเดชสีละภูมิวนันภูมิคืนภูมิวนันภูมิคื น, น, นข้างขึ้นข้างแรงทวนเข็ม ต, า, ตามตื่นเจ้ากันมายกนิ้วดูก่อนน ะ, ะวันนี้มันอยู่ปะไม่คือคือการยกนิ้วขึ้นมาเราก็นับว่าวันนี้หกขํามเมื่อวานนี้หกขํามวันนี้เจ็ดขามตกกะไลแล้วดีถิดีถีของวันเนี้ย ตรงไหนที่ไหนเป็นสีทิศไหนเป็นการกินีทิศนี่เราจะได้รู้ไหนตัวเลยทันทีที่โมงกี่เวลาไหนทิศไหนเป็นอะไรแล้วก็พอเวลาเราสนใจปุกมีอะไรเอกใจปุ๊บเรากระจับยามใหญ่เลยทันทีนี่เทคนิคเดี๋ยวไปให้ผมย่องย่อยแม่ผมเจ้าภาษาอะไรสักหน่อยถมมาไม่ถม